<laughs> เออเราที่าจยด้วยกันมีหนึ่งพระ ท, ทั้งขี่ทั้งอุปราชิกาอุอา ส, สุถือว่าเป็นการละยานามิตรแล้วเราก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นคุณธรรม เป็นที่ตั้งที่เป้าหมายเพื่อให้เกิดคุณน้ำความดีถือว่าเป็นก า, ารทอยาณนมิตรคำสอนของคุณเจ้านั่นเรานี่ก็เป็นหนี้บุญคุณของหลายหลายอย่างเป็นหนี้แล้วก็มีพ่อมีแม่ พ่อแม่พ่อเราก็เสียงเป็นเสียงตายที่เราได้เกิดมาเนี่ยเอาใจใส่เ ย, <c oughs> ยี่ยงดูจนมาถึง้านนี้เป็นผลงานของใครเป็นผลงานของพ่อแม่นอกจากนั้นก็มีครูอาจารย์ที่สั่งสอนเรามาที่หลายอย่างดินฟ้าอากาศเป็น ก็เราต่างๆเราจะมีความดีพอที่ใช่ดีได้ไหมการตรวจน้ำตวจ น, น้ำตรวเช้าการเผอแม่ตาให้มันออกมาจากจิตใจของเราที่เรามีความดีจริงๆหรือว่าออกไป มันก็ใช่นี่ทุกวันทุกเวลายิ่งเราได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมอันเป็นที่ตั้งความดีคือสติสติเป็นมารดาของความดีได้มีสติเป็นในกายเป็นในใจ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 โกรธอีสงไขโกรธเคยรู้สึกตัวไหมขนาที่มันเกิดจะนั่นขึ้นมาแับนี้เราจะมาหัดตนสอนตนแับใช้กายใช้ใจให้มันถูกต้องท่องถึงใดพูดถึงใดคิดถึงใดมีสติจับกายไปใช้จับใจไปใช้อย่าให้ความหลงของโกรธเอากายเอาใจไปใช้ จึงจะคุ้มค่ามันลึกเหลือเกินเป็นหัวเป็นเหวเป็นกับเป็นกันเวลาเราปฏิบัติเวลาเราไม่สติความหลงโชตลอดหลงไปทางตาทางหูจมูกร่างกายใจลูกรถกลิ่นเสียงโชแสงหน้าแสงหลัง ผู้มีลูกก็คิดแบบคนมีลูกผู้มีผัวมีเมียคิดแบบผู้มีผัวมีเมียผู้มีอะไรก็คิดแบบคนมีแบบนั้นไม่ได้อยู่กับลููชึกตัวเลยเกิเป็นจลิตนิสัยเบกก็มีโทสะจริตอะไรเกิดความโกรธออกหน้าโมหะจริตอะไรเกิดความหลงออกหน้า ไม่มีความรู้สึกตัวที่จับปลายจับใชไปใช่เลยจึงจำเป็นต้องปฏิบัติต้องเพื่อหัดเรียนจากสภาวะที่รู้ไปอยู่แล้วในกายในใจนั่นเองโดยเฉพาะวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่เหมือนกับตลาดนัดของความดี เกิดขึ้นในทุกรูปแบบมาจากไหนก็นรูดจักตัวเกิดขึ้นก็นรูดจักรตัวเรียนได้หมดสิ่งที่เกิดขึ้นกับปลากับใจแล้นิ่เปลี่ยนมาเป็นความรู้จักตัวได้หมดในเวลาที่เราผูกกรรมฐานเพราะมีนิมิตมีที่ตั้งกู้แขนเข้าเหยียดแขนออก ลู่ชุกตัวอยู่นี่มันไปไหนมันเกิดอะไรขึ้นมากลับมากู้แขนเข้าเหยียดส้นโลกให้ลู่ชุกตัวทันทีในคราวเดียวกันปัญหาที่มันหลงกว่าลู่ปัาที่มันชุกมันทุกกว่าลู่ลู่เท่าลู่ทันอย่างนี้แล้วกว่าฝึกตนสอนตนจะมันคุ้นเคยจะมันเคยชินจนเป็นศาสตรเป็นศิล ถ้หัดลวมันหัดได้มนิษฐ์มนุษย์เนี่ยมีจิตที่มันหัดได้เป็นสัตว์ประเสริฐจริงๆแล้วเราก็มีโอกาสเต้มที่อยู่วัดวาลามมีนกบวชพระสงฆ์แม่ชีอวสิาวาสกาวสุข <c oughs> นะอยู่นี่จะร่วมกันนี่ในประเทศไทยเรา ใครก็รู้พ่อแม่เราก็รู้ลูกชายมาบวชเป็นพระวางที่อาจจะรู้ด้วยว่ามาอยู่วัดผูหลงลูกสาวมาบวชเป็นแม่ชีพ่อแม่อาจจะรู้แล้วเหมือนกับหวานพืชมเมล็ดพืชของแม่ของพ่อคือลูกหญิงลูกชายหวานไปเนื้อนาบนุญ เพียงแต่เราได้ยินว่าลูกมาบวชมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มีความสุขบางแล้วอิ <c oughs> ่งเป็นคำว่าเจ้ายอมที่มามีความสุขแล้วถ้าเราได้แสดงออกบอกความเทิดความริงให้พ่อแม่ฟังก็ยิ่งจะเป็นผลที่ดีขึ้นมาอีกดึงพ่อดึงแม่ขึ้นจาก นัลุกได้จะวงขึ้นจากนัลุกไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์นิพพานได้แต่ว่าอภิชาติบุตรเป็นบุตรที่ปรดเสฐพอจะเห็นว่าลูกชายคนนี้รูกสาวคนนี้เตมใจสุขใจชื่นใจเติมใจไม่เหมือนความชั่ว เวลานี่พ่อแม่หิวความดีของลูกไมไ่หิวข้าวหิวอะไรหรอกหิวความดีของลูกลูกเป็นคนดีพ่อแม่อิมอ่มใจอิ่มใจแต่พ่อแม่อิ่มใจพอลูกเราก็ถือว่าเราใช่นี่อุทิตย์วันอุทิตย์นมาดาเปตามาดาเปตาโอปะตาลามเราจะเราตวนน้ำ มันก็สมที่เราได้ซ้อมลงไปว่าลงไปทั้งใจเรามันถึงกันลูกเป็นไงแม่เป็นอย่างนั้นยิ่งเราได้มือได้แขนได้ขาได้กายได้ใจมานี่เป็นสมบัติของพ่อของแม่เราจะไปคิดชื่วไม่ได้สงสารพ่อแม่และจะไปทําชั่อไม่ได้สงสารพ่อแม่หัวใจของดวงนี้เป็นของพ่อของแม่ พ่อแม่ไม่อยากให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราเป็นทุกข์ถือว่าคมขืนหัวใจของพ่อแม่หายก็เหมือนกันของพ่อของแม่ไปท้อมชั่วปิดชินเวทดอ้อมก็เรียกว่าพระคมขืนหัวใจของพ่อของแม่ เ, ออมเคมคจ็บ ป, ปวดจึงเป็นการตอบแทนบนคนที่ถึงเนื้อถึงตัวมีกายวินใจที่สุดได้จากเลือดสาดเดือก็อันเดียวกัน มีพ่อมีแม่จริงๆพวกเรานะเราจะ น, นั่นยังไงแัก็ต้องมีหลักจางนี้พวกเราให้ถึกตนสนตนตอมนบกวนเจอยตัวเองจารนบกวนเจอยทำผู้ใดตั้งใจถึกตนสนตนก็จะมีผลเกิดขึ้น เราต้องควรเฉี่ยผู้ปฏิบัติตัวใครตัวมันไม่มีใครช่วยกันได้